บิสม um ah uh. ินนา الرحمن الرحيم الحمد لله ربنا لمن وبه نستعين اللهم صل على محمد ا ل ص ل ا معنحكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติ ความจำเริญจากองล์พระได้โปรดประสบแด่พี่น้องนะครับผู้ที่มาศึกษาวิชาทัศซิษ์ในวันนี้ทุกท่านวันนี้เราอยู่ในอิสราเอนอิสราห์นะครับอายาที่ 15. สิอถึงอายาที่สิบห้าอิสราเอิสราห์นะครับอายาที่สิอถึงอายาที่สิบห้า นะตั้งชื่อหัวข้อว่าวันเวลาและการบันทึกการงานอุตมิชาติเะในอายาที่สอนะครับอัลลาดด์ว่าโอยะเดะอุนอินซาโนบิชารีดูอาอูฮูบินคอยนะและมนุษย์นั้นวิงวอนขอความชั่วนะครับในเอกสารความชั่วนะครับไม่ใช่ไม่โทรนะเป็นไม่เอกความชั่วนะครับ นะก็ผิดกันมาตบกันมาเนี่ยผมมาดูโปรแกรมก็อ่านในมือถือนี่เป็นภาษาไทยก็เป็นความชั่วอยู่นะครับแสดงว่าฝ่ายต้นฉบับเหมือนกันหมดเป็นไม่ถูจริงคือความชั่วนะเราก็ทราบกันดีนะครับมนุษย์เนี่ยเวลาขอความชั่วเนี่ยนะครับนะเวลาอ่านแปลภาษาไทยจะงงมากเยี่ยงการขอความดีมนุษย์นั้นเป็นผู้ที่รีบเร่งเสมอแบบนี้ต้องอธิบายให้ฟัง มนุษย์เนี่ยนะครับเวลาดูอาหรือว่าเรียกร้องขออะไรกันแล้วแต่เนี่ยพี่น้องถ้าเป็นความดีเนี่ยอยากจะให้มันเกิดไวๆนะในขณะเดียวกันบางครั้งสิ่งที่ขอไปเนี่ยโดยภายโดยภายนอกเนี่ยถ้ามองตื่นตืนคือความดีอยากให้มันเกิดขึ้นแต่ในจริงมันมีสิ่งที่ไม่ดีอยู่อลัลลอฮ์ก็เลยบอกว่ามนุษย์เป็นผู้ที่อายุลาเป็นผู้ที่รีบรึไม่ทั้งความดีและความชั่วเนี่ย ไม่รออายันช่วงเวลาของมันอยาจะให้มันเกิดขึ้นนี่คือลักษณะของบางครั้งในเวลาเราขอดูอาหรือว่ารอคอยอะไรบางอย่างในพี่น้องมันช้าความรู้สึกคือมันไม่ทันใจในชีวิตผมก็มีหลายครั้งเหมือนกันบางทีจังหวะน่าจะไวกว่านั้นเอา้าไปมาติดนู่นติดนี่ช้าไปอีกนะครับแต่ว่าในอายันที่ไหนต้องการอาลัลลอฮ์ต้องการจะบอกว่า ทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นทั้งความดีและกับความชั่วเนี่ยมันมีอายันตของมันระยะเวลาของมันมนุษย์ไม่ทราบสิ่งที่เกิดข้างหน้าเรามีการคาดคะเนกันพี่น้องวางแผนการคาดคะเนกันว่าจะเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่ว่าไม่ใช่เอ็นมูลยาเกินไม่ใช่ความรู้ที่ชัดเจนไม่ใช่ใคือว่าไม่ใช่ถูกเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นยเกินไม่ได้แต่ว่าเป็นซ้อนคาดการว่าอย่างปัจจุบันเนี่ยพี่น้องผลกระทบจาก โควิด1 Corona, สายพันธุ์ใหม่นะครับเราก็คาดการว่าจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อ่าเห็นไหมเออมีส่วนที่ถูกต้องไม่มีความถูกต้องก็มีแต่ไม่ใช่อินมุญยาเกณฑ์ไม่ใช่เขาเรียกว่าข้อเท็จจริงที่จะเป็นแบบนั้นทั้งหมดแต่เราก็คาดการกันอิสลามไม่ได้ห้ามนะครับแต่ว่าอายาที่ต้องการจะบอกว่ามนุษย์เนี่ยไม่ทราบสิ่งที่จะตามมารีบเร่งให้มันเกิดขึ้นบางครั้งสิ่งที่เขาอยากจะให้เกิดขึ้นเป็นความไม่ดี เขาก็อยากให้เกิดขึ้นไวๆเหมือนกับสิ่งดีๆที่เขาอยากให้เกิดขึ้นนะจากอาย่านี้เนี่ยนะครับต้องสรุปประเด็นหมงันันจะงงหนึ่งคือลักษณะของมนุษย์เป็นผู้ที่อายูลารีบร่งนะครับใจร้อนนะเราอยากจะได้รถนะอยากจะซื้ออยากพอพร้อมแล้วเนี่ยอยากจะซื้อเลยเพราะว่าพร้อมแล้วจะรอทำไมนะมาซื้อมาปุ๊บบางคารถยนต์ปิดตัว ราคาตกไปห้าแสนรู้รลมตัวหางนั้นไม่รู้ลงนะนะครับประมาณนี้นะเช่นเดียวกันจังหวะในชีวิตอยากจะแต่งงานนะครับอยากจะแต่งงานเอาคนนี้แหละนะไม่รอแล้วที่บ้านก็รออีกหน่อยเรียนจบก็ได้ไม่เอาว่าไม่ไหวแล้เอาคนนี้แล้วพอแต่งไปแล้วปรากฏว่าไม่ดีอย่างที่คิดหรือว่าคนที่มันดีกว่าเข้ามาเข้ามาช้าไปฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้พี่น้องครับให้ได้ประสบ กับสิ่งที่ดีที่สุดบางครั้งแต่เราพลาดอะไรไปเนี่ยบางทีไม่ได้พลาดเลยแต่ว่ามันมาได้ช้าก็ให้เข้าใจว่าณตรงนั้นอาจจะมีความดีงามที่เอารอแทรกไว้ให้ก็ได้ลองกลับไปดูชีวิตพี่น้องเนี่ยนะครับเอมีจังหวะไหนไหมที่มันมันน่าจะได้ไวกว่านี้นะแต่ว่าได้ช้า พอหันกลับไปมองห้าปีสิบปีผ่านมาหันกลับไปมองดีแล้วที่ได้ชาไม่งั้นก็ไม่เป็นแบบนี้ขอบางอย่างนะพี่น้องเราไม่ทราบการยกตัวอย่างเช่นแต่ก่อนเนี่ยนะครับเ อ, อที่ตรงเนี้ยนารามเนี่ยพี่น้องนะบางทีเนี่ยมีคนก็มาขายที่ไม่ซื้อกันไปซื้อแถวหนองจอกมันแออัดนารามเนี่ยมันเขาเรียกว่าที่มันต่ํานึกออกไหมในกรุงเทพเนี่ยมัน ม, มันเป็นที่แองแองที่ต่ากว่าเพื่อนคือหัวหมาก ฉะนั้นจะซื้อที่หัวหมากเนี่ยแต่ก่อนมหาวิทยาลัยเรา ย, ยังไม่มีนะเป็นที่แบบที่โล่งๆเป็นนาเนี่ยไม่เอาหน้ารามไปซื้อเถอน้องจอกนะพอไปมาเนี่ยรัฐบาลขยายการศึกษาขึ้นมามหาวิทยาลัยมาตั้งนึกออกไหมไม่มีที่ตั้งก็เอาศูนย์การแสดงสินค้าหัวหมากตั้งเป็นรามกาแพงจะไม่เพดสองห้าหนึ่งสี่นะพระซ้อจะผิดอาชญ า, าพาณินะประมาณนั้นปรากฏว่าตั้งปุ๊บ แต่ก่อนหมาอะไรเนี่ยมันน้อยเราจะพงก็จะพัดเนี่ไม่เคยมีคนกระแห่มาเรียนกันเยอะเด็กหลายแสนอาพาร์ตเมนต์นี่ขึ้นกันไม่ทันนะไอคนที่ไปซื้อที่น้องจอกกหมเสียดายแต่ก่อนน่าจะซื้อที่รามไว้เราก็ไม่ทราบจะเกิดอะไรขึ้นนะครับย้อนกลับไปในช่วงวิกฤตการต้มยำกุ้งนะครับเศรษฐกิจไทยหนีสุดมากแต่ว่าก่อให้เกิดอาชีพใหม่ขึ้นแกวงการมุสลิมนั่นคืออาชีพลามในโรงพยาบาล พอต้อยมยาปุ้งเนี่ยเศรษฐกิจมันตกเนี่ยนะครับประเทศไทยดีแย่ติดลมเงินไม่มีเลยผู้ออมาณินเอกชนก็มองว่าเอ๊ะในเมื่อไม่สามารถหารายได้จากลูกค้าที่เป็นคนไข้คนป่วยในคนไทยได้ก็ทําไมเราไม่เปิดตลาดต่างประเทศดูปรากฏว่าเปิดไปเปิดมาลูกค้าที่เป็นกําลังหลักก็คือลูกค้าจากกลุ่มตะวันออกกลางซึ่งใช้ภาษาฮัลป์แล้วคนที่มันใช้ภาษาฮัลป์ได้ในในประเทศไทยเนี่ยมีแต่มุสลิม คนที่มาเช่มุสลิมมันเช่าภาษาได้ไม่ได้แต่ว่าไม่เหมือนคนมุสลิมเวลาจะสื่อสารวัฒนธรรมความเข้าใจเนี่ยไ ป, ไปมาเกิดอาชีพล่ามในโรงพยาบาลขึ้ น, นาจากวิกฤตต้มยำกุ้งคืออื่นเขาฆ่าตัวตายแต่ว่าประโยชน์ที่ได้ก็ก็มีเหมือนกันนึกออกไหมหรือว่าการเทครัวในสมัยต้ น, นตรัตนโกสินทร์ที่เล่ากันว่าเอาคนมุสลิมจากที่ตรงที่ใต้ขึ้นมาปรากฏ ว, ว่าเอามาตั้งถิ่นฐานในกรุงเทพ ปอดิษฐ์บันทีก็เขียนมันยายนะมานทีก็บางคนก็บอกว่าโหตายบางคนก็บอกว่าไม่ใช่แบบนั้นอย่ะไรก็แล้วแต่ผ่านมาสี่ชั่วยุคนห้าชั่วยุคนทําให้มุสซิมนั้นเป็นเป็นเจ้าของที่ดินในกรุงเทพเป็นต้นทุนที่หายากนะพี่น้องที่ดินสมัยนี้นะพี่น้องถ้าพี่น้องซื้อที่ซื้อบ้านเนี่ยผ่อนยันตายถ้าไม่มีที่มาดกเนี่ยจะซื้อที่ด้วยซื้อบ้านโดยพี่น้องผ่อนไปเถอะนะครับ ถอนยันตายแต่บางทีเนี่ยเราได้ต้นทุนมาจะเป็นมรดกจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ประหยัดไปได้เยอะแล้วก็เป็นรากฐานจะขายที่ขายทางขึ้นอาพาร์ตเมนต์อะไรก็แล้วแต่เป็นเขาเรียกว่ารายได้ที่มุสซิมได้มาสืบผลมาจากการที่เกิดขึ้นในอดีตรายได้ตรงนั้นเนี่ยมัสิทิ์ก็ได้ประโยชน์เพราะว่าคนโดยจาก็ไอ้เจ้าของที่เจ้าของอพาร์ตเมนต์นี่แหละลูกหลานก็ไดเรียนหนังสือนึกออกไหมพอมีที่ดินเยอะ คนสมัยก่อนก็ฉลาดนะบริจากที่ให้กับรัฐบาลเราก็จะมีโรงเรียนสุราพี่น้องนับในกรุงเทพที่โรงเรียนที่มีชื่อสุลาเนี่ยมีกี่ที่บ้างสุราเคโคอะไรล่ะสุราปากพอกล้แหล่ใช่ป่ะมีก็คือหลายที่บางที่ก็เป็นชื่อไม่ได้ชื่อสุราอย่างแถวบ้านผมอยู่เป็นสุขอ้าวนักนาวาอย่างเงี้ยเป็นที่ที่เขาบริจาคมุสลิมมีที่บริจาคให้ ให้อาตาบามาตั้งโรงเรียนพอตั้งเสร็จแล้วประโยชน์ก็ได้กับมุสลิมก็คือลูกหลานมุสลิมตรงนั้นก็ได้เรียนหนังสือในชุมชนของตัวเองถ้าย้อนกลับมาเดี่น้องสิ่งที่เกิดขึ้นอดีตเรามองว่าไม่ดีถูกเทครัวต้อนขึ้นมาอยู่กรุงเทพแต่ใครจะคิดว่าเหตุการณ์ตรงนั้นผ่านมากี่ร้อยปีก็ไม่ทราบสามสี่ชั่วยุคคนร้อยกว่าปีสองรอยปีกลายเป็นต้นทุนให้กับมุสลิมเห็นไหม ทุกวันนี้มีชุมชนมุสลิมอยู่ในเมืองหลวงของประเทศทั้งๆที่ประชากรมีกี่เปอร์เซ็นต์พี่น้องมุสลิมเนี่ย 7% 5% ก็ตีตีกันประมาณนี้หายอย่างนะแต่ว่าส่วนหนึ่งพี่น้องครับอยู่ในกรุงเทพอยู่ในเมืองหลวงของประเทศแล้วก็จำนวนมสัสยิดในกรุงเทพเนี่ยพี่น้องก็มีเยอะด้วยเห็นไหมของบางอย่างเนี่ยมนุษย์มองไปเห็นแต่ข้างหน้า แบ บ, แบบนี้ไม่ดีแบบนี้ไม่ดีแบบนี้ไม่ดีแต่ใครจะคิดว่าความดีงานที่เกิดขึ้นนพี่น้องมันเหนือการคาดการที่เราจะคำนวณไว้นะครับเอ่อไวรัสสองพันสิบเก้าเนี่ยตอนนี้กระทบหนักมากพี่น้องคนทำงานโรงแรมเนี่ยมันปิดเลยท่องเที่ยวเนี่ยมันต้องคุยกันนะสนามบินเนี่ยพี่น้องไปนอนได้เลยแอร์เย็นเย็นว่างๆไปได้เลยตอนนี้ภาพที่เรามองเนี่ยมีแต่ความเสียหาย ความดีคืออะไรข้อดีคืออะไรผมก็ยังไม่ทราบนะแต่เพอผ่านระยะเวลาไปแล้วอาจจะมีความดีงามก็ได้เราก็ไม่ทราบแต่สิ่งที่ทำได้คือเตรียมความพร้อมนะครับตะกอนเนี่ยมุสลิมลูกเยอะนะช่วงที่มีนโยาบายเขาเรียกว่าความแผนครอบครัวเนี่ยปีไหนผมจำผิดสอง8้าสองแดจะจำไม่ผิดเนี่ยนะครับประกาศเป็นทุกคลินิกเนี่ยสนับสนุนการคุมกาเนิดแจกถุงยางเพราะาประชากรมันเยอะ ถ้าไปมาเนี่ยเด็กที่เยอะเนี่ยนะครับตอนนี้เด็กไม่ค่อยมีแล้วคนไม่ค่อยแต่งงานเด็กไม่ค่อยเกิดอยากจะให้คนเนี่ยมีลูกกันเยอะๆกลับไปตรงนั้นอีกฉะนั้นใครที่มีลูกหลานหลายๆคนเนพี่น้องต่อไปสบายเพราะว่าเขาต้องการคนนะต่อไปคนมันจะขาดนะครับเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุคนแก่เยอะเด็กที่เกิดใหม่น้อยแต่มุสลิมเราก็ยังค่านิยมในการมีลูกก็ยังยังเยอะกว่าเขานะครับ ลูกสลูกสามเนี่ยก็ควรดีถือปกตินะครับควสมัยปัจจุบันเนี่ยลูกสองลูกสามุสลิมนะถือปกติแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ใช่มุสลิมถือว่าเยอะลูกคนเดียวก็พอแล้วลูกสามช่หรอผมในมีสามคนเพื่อนทีมงานบอกโอ้โหลูกสามเยอะจังเลยถ้าไปดูรุ่นพอลุงแม่เนี่ปาไปสิบคน9้าคนสิบสอคนก็มีกันนะนะครับฉะนั้นต้องการจะบอกว่าด้วยกลักษณะของมนุษย์ซึ่งอาการอินทรานุอจยุลาะรีบเร่งรีบร้อน บางทีเนี่ยมองข้ามความดีงามที่จะตามมาอยากให้มันเกิดขึ้นไวๆคิดว่าเป็นความดีแต่เกิดขึ้นแล้วไม่ใช่ความดีนะผมคิดว่าชีวิตพี่น้องน่า จ, จะผ่านประสบการณ์ตรงนี้นะครับประสบการณ์คายประสบการณ์มันนะกลับไปมองย้อนดูกันแล้วครับต่อมาครับในอายะที่สิบสองเล่าตัดว่าโอจันนันไลละวนาฮาราอาหยาใจนี่อัลละฮ์นั้ น, ไ, น, น, าา น, น, น, นได้ทําให้ทําไมเอย่ย กลางคืนและกลางวันนั้นเป็นสัญญาณทั้งสองเป็นอาญาเหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับต้องมองให้ออกว่าเอมันเกี่ยวอะไรกันเมื่อกี้พูดถึงมนุษย์เนี่ยอยากจะได้ความไม่ดีเกิดขึ้นอยากจะได้ความชร์รุนเนี่ยนะครับให้มันเกิดขึ้นไวๆมนุษย์ใจร้อนและเกี่ยวอะไรกับกลางวันกลางคืนการที่อาญะมาต่อกันแบบเนี้นะครับ เราก็ต้องพยายามมองหาความเชื่อมโยงให้ได้ความเชื่อมโยงตัวนี้ก็คือว่ายังพูดถึงเรื่องของอายันอยู่นะความดีและความชั่วมีอายันมีช่วงระยะเวลาความเหมาะสมของมันเขาเรียกว่ากาละภาษาไทยกาลเทศะมีการของมันเช่นเดียวกันกับกลางวันแล้วก็กลางคืนมีช่วงเวลาของมันนะบางทีเนะี่ะ พวกนี้เป็นเขาเรียกว่าจะได้โมนัสเงินเดือนจะออกไม่อยากให้มีการคืนเลยอยากให้เป็นผู้นี้ไวๆมนุษย์ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันหรือว่าวันจันทร์เนี่ยตื่นมาเนี่ยเครียดเหลือเกินต้องทำงานอีกแล้วอยากจะให้วันจันท์มันผ่านไปเลยเปินมาเนี่ยเป็นการป้งกันคืนได้ไหมจะได้นอนต่ออีวันหนึ่งมนุษย์อายุราอยากจะข้ามอายันช่วงระยะเวลาที่ตัวเองไม่ต้องการนะครับ ถ้ามองแบบนี้เราจะเห็นความเกี่ยวข้องการเชื่อมโยงกันระหว่างที่อายาที่สิบเอ็ดกับอายาที่สิบสองกลางวันและกลางคืนพี่น้องครับเป็นสองสัญญาณที่อัลลอ์สร้างขึ้นมาฟามาฮาวนาอายาตัน ล, ลีในตอกนกลางคืนเนี่ยอัลล์ใช้คาว่ามาฮวนามาเฮาเนี่ยนะครับแปลว่าลบนะลบก็คือหมายความว่าในช่วงกลางคืนเนี่ย แสงสว่างเลยอ่ะมันจะสลัวเหมือนจะถูกลบถูกปิดบังไว้ว่าจันนาอายตันนาหะมุบสิราแต่ว่าตอนกลางวันเนี่ยมุบสิราทุกอย่างเนี่ยมันจะสว่างมันจะชัดแจ้งพี่น้องดูนะครับกลางวันและกลางคืนเนี่ยเป็นอายะเป็นการสร้างของอัลลอฮ์นะมีลักษณะที่ตรงกันข้ามกันเลยในขณะที่ตอนค่ำคืนนั้นเงียบสงบมืดนะครับ แล้วก็ตรงกลางวันนั้นสว่างชัดแจ้งสดใสลักษณะตรงกันข้ามกันแต่อัลละฮสร้างสิ่งที่ตรงกันข้ามกันเนี่ยพี่น้องไว้ด้วยกันได้รวมกันในหนึ่งวันเป็นกลางวันและกลางคืนตรงนี้นพี่น้องแสดงถึงเ้าเรียกว่าอะไรล่ะความสามารถในการสร้างการสร้างเนี่ยพี่น้องมันแบบนี้เช่นสมมติว่า ถ้าทำสองอย่างตรงกันข้ามกันไว้ในสิ่งเดียวกันได้เนี่ยแสดงถึงความสามารถเช่นที่บ้านเราเนี่ยมีแอร์มีน้องแอร์ Air นี่ททำให้เย็นถูกป่ะแต่ว่าทำให้ร้อนเนี่ยทาหมายถึงว่าอุณหภูมิแอร์สูงสุดเนี่ยเท่าไหร่ยาบ้านผมมก็ว่าผมได้แค่สามสิบหน้าหนาวจะให้อ น, นั่นกว่านั้นได้ไม่ได้แล้วก็คือได้แค่อาที่เย็นก็เย็นอที่ร้อนก็ไปใช้อุปกรณ์อื่น แต่ว่าถ้ามีอุปกรณ์หนึ่งซึ่งสามารถให้ทั้งเย็นทั้งร้อนได้เนี่ยการสร้างเนี่ยมันจะใช้ความประณีตมากกว่านี่เปรียบเทียบเลยฟังในสัญญาณเขาล้อกลางวันกลางคืนเนี่ยเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามเลยพี่น้องครับตรงกันข้ามเกือบทุกด้านเลยแต่เอาล้อสร้างไว้แล้วก็ให้มันกลมเกลืนกันอยู่ในวันหนึ่งวันได้นะแสดงความเขาเรียกว่าอำนาจในการสร้างตรงนี้เนี่ยมีความประณีตมากกว่าสร้างกลางวันอย่างเดียว หรือว่าสร้างการคืนอย่างเดียวนึกออกไหมในบางความเชื่อเนี่ยมีเทพเจ้ากลางวันเทพเจ้ากลางคืนเพราะว่ามันต่างกันก็มีเทพมีพระเจ้าสององค์รับผิดชอบไปแต่ในอิสลามเนี่ยอัลลอฮ์จะมีองค์เดียวเนี่ยสร้างสิ่งที่มันตรงกันข้ามกันแล้วก็ให้มันเขาเรียกว่าอยู่ร่วมกันภายในหนึ่งวันได้อย่างกลมเกลืนนะเราไม่ใช่นอนอยู่แล้วก็โดวอาทิตย์ขึ้นมาตรงเลยไม่ใช่มีตอนเขาเรียกว่าหัตอนที่ใกล้จะเช้า แสงค่อยๆออกมาอุณหภูมิจากที่เย็นเนี่ยค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดเพื่อให้มนุษย์ปรับตัวเห็นไหมแล้วก็เข้าสู่ตอนกลางวันเช่นเดียวกันตอนกลางคืนเนี่ยนะครับการเปลี่ยนมาสู่กลางคืนไม่ได้เปลี่ยนอย่างฉับพลันนะครับแจ้งแจ้งอยู่มืดแล้วไม่ใช่ค่อยๆมียามเย็นดวทิตเขาเรียกว่าลดความร้อนลดแสงลงมานะครับตอนพบข้านาะหลังจากนั้นก็เข้าสู่กลางคืน สร้างสองอย่างที่ตรงกันข้ามกันไว้โดยการได้และก็ ก, การสรับเปลี่ยนระหว่างนั้นเนี่ยพี่น้องมีความกลมเกลือตรงนี้คือความประณีตในการสร้างนะครับนอกจากนี้เนี่ยพี่น้องนะครับการเลือกใช้คําของทุกผู้อ่านเนี่ยนะเลือกใช้คําสวยมากพูดถึงกลางคืนใช้คําว่ามาเข่าเปลว่าลบเปิว่าปิด ก็คือว่าแสงที่มาจากดวงจันทร์เนี่ยพี่น้องมาใช่แสงสว่างจ้าแต่พูดถึงกัางวันใช้คำมุมบอสซิร่มุมบอสซิร่เนี่ยมาถึงเห็นชัดๆเห็นแจ้งๆปัจจุบันเราทราบแล้วว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เนี่ยแสงมันไม่เท่ากันเนี่ยเพราะว่ากลไกในการเกิดแสงมันต่างกันในขณะที่ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์มีแสงสว่างในตัวเองดวงจันทร์ไม่ใช่นะครับแสงสว่างแล้วก็สะท้อนมาอีกทีหนึ่ง แสงที่ออกมาเพราอ่านใช้คําว่ามาอาวนาะมันไม่ใช่แสงสว่างจ้าแบบดวงอาทิตย์เป็นแสงแบบนวลๆนะครับนั่นคือเขาเรียกว่าการเลือกใช้คําเหมาะสมอย่างยิ่งนะครับสําหรับผู้เขาอ่านนอกจากนี้ในการสร้างอายตัยนี่การวันและกลางคืนพี่น้องครับส่งผลต่อวิถีชีวิตมนุษย์เหมาะสมมากพี่น้องร่างกายมนุษย์ต้องการเวลาพักผ่อน พี่น้องสามารถหาอ่านข้อมูลได้เวลาที่เรานอนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างฮอร์โมนตัวไหนมันเกิดขึ้นบ้านสอมแซมร่างกายคืนสมองคืนสมองเนี่ยมันเกิดขึ้นในยามกลางคืนที่เหมาะกับเวลาพักผ่อนคนมานอนใช้ตอนกลางวันก็ใช้ได้ไม่เหมือนนะเช่นเดียวกันกับตอนกลางวันเนีพี่น้องการมันไม่ใช่แค่สว่างกับมืดอย่างเดียวเวลาพี่น้องออกมาทํางานเนี่ยแสงจะดูอาทิตย์เข้าผิวหนังทําให้เกิดวิตามินดี ประโยชน์ต่างๆมากมายนะครับฆ่าเชื้อนําไปสู่การปากผ้าการปากเนื้อการใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์เหล่านี้พี่น้องครับอัลลอฮ์สร้างมาไม่ใชลี่ยไป็นมึดก็ไม่มึดมึดกระเจงไม่ใช่นะแต่ว่ามีสิ่งดีๆมากมาต่างๆเต็มไปหมดเราไม่ทราบทราบไม่หมดปัจจุบันเรามีความก้าวหน้าทางความรู้มากขึ้นนะครับก็ค่อยๆทราบว่าแสงอาทิตย์เนี่ยไม่ใช่ร้อนอย่างเดียวนะฆ่าเชื้อได้ด้วยเห็นไหม อ๋อฉะนั้นไม่น่าคนสมัยก่อนก็ต่างเนื้อกันนะครับเราทราบแต่ว่าเอวิตามินบางอย่างในพี่น้องมาจากอาหารวิตามินบางอย่างมาจากแสงแดดในอนาคตเราก็จะทราบพลิมละกันต่างๆเหล่านี้เพิ่มขึ้นอีกสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องครับต้องการจะบอกว่าทุกอย่างที่อลัลลอฮ์สร้างขึ้นมาความดีความไม่ดีตอนเช้าตอนกลางวันอะไรกันแล้วแต่มีอายัดมีระยะเวลาแล้วก็มีพลิกละกัของมันทั้งสิน้น เราจะทราบไม่ทราบกันแล้วแต่นะครับหลีตับตะูฟัดดันมีรับมีกุ้มนะการที่อลัลลอฮ์สร้างแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้เรานั้นได้แสวงหาความโปรดปรานจากพระผู้เป็นเจาน้านะกลางวันกลางคืนนะพี่น้องอย่างผมเนี่ยทำงานออฟฟิศกลางวันกลางคืนก็เห็นไม่เคยชัดประโยชน์ของมันเนี่ยแต่คนที่ทำกเกษตรคนที่ทำปศุสัต คนที่ล่าสัตว์ดักนกดักอะไรเนี่ยกลางวันกลางคืนเนี่ยมีผลมากกี่โมงนกออกปลาจะเข้าอะไรทํานองเนี่ยพี่น้องต้องใช้ขั้นเรขาการสังเกตจากธรรมชาติเรดูการต้องพึ่งพายเยอะก็จะเข้าใจว่าทิกมากของกลางวันกลางคืนเนี่ยไม่ใช่แค่แจ้งกับมืดมีอย่างอื่นเต็มไปหมดเลยผมก็ผมก็มาเก่งแล้วเอาจางคนกีดยางใครกีดยางบ้างต้องกีดช่วงไหนนํายางออกช่วงไหนเห็นไหมวิถีชีวิตที่เป็นกเกษตรเนี่ย ใช้กับธรรมชาติเนี่ยต้องพึ่งพิงระยะเวลาท้ามัวมไม่ได้นะเทีงเถี่ยงอยากจะไปกีดไม่ได้ต้องตีสามต้องตีสองมันจะยังไงก็ต้องถามคนที่ก็เชี่ยวชาญด้านนั้นดูนะครับทุกอย่างนั้นเป็นฟ้ดลันมีรับมีกุ้มเป็นความโปรดปรานจากพระผู้เป็นเจ้าของท่านทั้งสิน้นนอกจากนี้แล้วนะครับนอกจากประโยชน์กลางวันกลางคืนแล้วเนี่ยยังมีประโยชน์อีกอย่างนึงคื อ, อวลิตะลามูอดัดดัสสีนีนเพื่อให้ทราบจํานวนปี วันขีภาบแล้วก็การคํานวณนะพีน้องนึกภาพไหมถ้าว่ามันมีกลางวันอย่างเดียวเนี่ยเราก็ไม่สามารถตัดได้ตัดว่าจะเอายังไงนับหนึ่งนับสองนับวันยังไงได้แต่พอมีกลางวันกลางคืนเนี่ยพอเราตัดได้นับได้เนี่ยมันนํามาสู่อันขีภาบนํามาสู่การคํานวณชีวิตพี่น้องเนี่ยได้ประโยชน์อะไรบ้าจากการคํานวณ นะครับอย่างผมเนี่ยกินเงินเดือนนางคำนวณก็คำนวณภาษีแต่ว่าในอาชีพสาขาอื่นนี่น้องการคำนวณสําคัญมากเพราะเป็นการตัดสินว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงไหนของปีอยู่ในเดือนไหนอยู่ในฤดูการไหนจะหวานจะเก็บเกี่ยวจะออกทะเลจะล่าสัตว์จะหาปลาเนี่ยนะครับถ้าไม่มีการคำนวณพี่น้องไม่ได้เรื่องนึกออกไหม มันต้องมีการคำนวเข้าใจวันนี้กดูร้อนแล้วอ่อยต้องเผาแล้วเอาสมมติคลก็ว่างั้นนี่น้ำมาแล้วต้องไอ้นั่นแล้วนะครับเออจะหาปลาแบบนี้เนี่ยต้องออกทะเลช่วงไหนไมาเอาสุ้มยังไงยิ่งจะเป็นสมัยก่อนพี่น้องการค้าเนี่ยนะครับสมัยนี้นายพี่น้องซื้อตั๋วกับบินนบินได้เลยสมัยก่อนไม่ใช่มาเรือแล้วมาจอดเนี่ยเป็นเดือนเดือนพี่น้องแรมปีรอลมมาถึงจะออกได้ ลมลมไม่มานึะออกไม่ได้นะรอลมมาเราสุมมาออกได้แล้วก็เวลาที่หลบเข้ามาก็เป็นเดือนเดือนฉะนั้นเวลามาม้อปติศาสตร์เนี่ยคนที่มาพักเป็นเดือนเดือนในต่างถิ่นในต่างถิ่นต่างที่เนี่ยบางทีก็มีการแต่งงานกับคนพื้นเมืองนึกออกไหเพรุถ้าทําส่งต่อหากันมีลูกครึ่งพ่อเป็นคนจากโน้นมาอยู่ที่นี่ระยะเวลามันสามเดือนสีเดือนบางทีพบการแต่งงานการมีความสัมพันธ์กันเขาเรียกว่า ไปมาหาสู่กันมีปฏิสัมพันธ์กันทุกอย่างเหล่านี้พี่น้องครับเป็นยิกมาที่อเล่ให้จากความแตกต่างระหว่างกลางวันแล้วก็กลางคืนไม่งั้นไม่มีเกิดการคำนวณพอคำนวณไม่ได้ปุ๊บไม่รู้ฤดูกาลในหนึ่งปีวางแผนในการประกอบอาชีพไมถูกประการที่สองเมื่อไม่รู้ว่าหนึ่งปีแบ่งยังไงแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่ามันผ่านไปกี่ปีแล้วถือถ้ามนุษย์คำนวณไม่ได้พี่น้องมั่วเลยนะครับ อายุเท่าไรแล้วเนี่ยสามสิบห้าสิบหกสิบทำไมทราบละ่ะเพราะมีการคํานวณแต่ถ้ามันมีการคำนวณอายุเท่าไรละ่ะไม่ทราบจะแต่งงานได้ยังต้องดูอายุนะหรือว่าบางทีจะตรวจร่างกายเนี่ยความเสื่อมของอวัยวะเนี่ยบันทีมันจากเช่นมะเร็งลําไส้สามห้าคนจะส่งกล้องข้างนึงอะไรทํานองเนี่ยมันมีเกณฑ์อายุของมัน คือถ้าเราไม่ทราบระยะเวลาตรงนี้ไม่ทราบตัวเลขตรงนี้พี่น้องฉีนวัคซีนลูกก็ไม่ทราบคือทุกอย่างมนุษย์จะเป็นอิแบบมันเลยจินตนาการไม่ถูกเพราะว่าเราคุ้นเคยกับโลกที่มีตัวเลขมีการคํานวณเราทราบเสนอวันที่วันที่เท่าพี่น้องอา้าววันที่ใดวันที่แปดเห็นไหทราบได้ย้อนที่แปดต้องย้อนกลับไปเพราะว่ามันมีกลางวันกลางคืน แล้วก็แบ่งปีเป็นสิบสองเดือนแบ่งเดือนเป็นสามสิบวันสาสิบเอดวันเราถึงทราบว่าวันนี้วันที่แปดแต่ถ้ากลางวันกลางคืนมันไม่ได้มีลักษณะที่ตรงังข้ามกันพี่น้องวันที่ที่ถ่ายใน่ทราบเราจะไม่รู้เรื่องวันที่การคํานวณมันจะหายไปหมดเลยพี่น้องนึกแล้วกันว่าชีวิตวิถีชีวิ ต, ววตมันจะโกลาหลโอมามขนาดไหนนะวากุณละชายอินฟัซซอนนาอุตับซีลาทุกอย่างนั้นทําไมเอ่ยเราได้แจกแจงตับซีล ด้วยกับความละเอียดให้มันมีความชัดเจนแล้วก็มีความละเอียด น, นะต่อมานอญญายะ์ที่สิบสามครับอลัลลอตรัสดว่าวกุลอินซานินอันจัมนาฮ์ตอเอลฮูฟีอุนุกิฮีมนุษย์นั้นทำไมเอ่ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยอลัลลอให้การงานเนี่ยแขวนไว้กับตัวคือสิ่งที่เราทำทั้งหมดเนี่ยนะครับของใครของมัน โยนให้ผู้อื่นไม่ได้มันจะติดตัวอยู่เหมือนกับแขวนไว้กับตัวนะอธิบายภาษานิดหนึ่งคา้ว่ตตออิราหูเนี่ยตอเอรจริงๆแปลว่านกการนี้คนก็งงนกเนี่ยมันมันมาเกี่ยวอะไรกันตรงนี้ในภาษาอาหรับเนี่ยสมัยก่อนเ้ามีการเรียกว่าการการเสี่ยงทายเช่นปล่อยนกไปถ้าบินไปตกที่ไหนก็ตรงนั้นบินไปขวาดีบินไปซ้ายไม่ดี เปรียบเทียบเหมือนกับการเขาเรียกว่าเหมือนกับยิงธนูเนี่ยยิงไปตกตรงไหนตรงนั้นถือว่าเป็นที่ที่เราจะสร้างบ้านเป็นการเสี่ยงทายคํ้ามาตอนแรเนี่ยนะครับบิมานาฮัตุนมาถึงส่วนที่จะได้ตรงนั้นนะอันนี้เป็นการอธิบายทางภาษานะครับเหมือนกับส่วนที่จะได้จากการเสี่ยงทายส่วนที่จะได้จากการเสี่ยงทายโดยการไปนกหรือการยิงธนูถ้าเรามาต้องสนใจที่มาเพราะมันงงก็ก็แปลคําตรงนี้แปะว่าส่วนแล้วกันนะครับ มนุษย์ทุกคนเนี่ยอัลลอฮฺจะให้ส่วนการงานที่เขาปฏิบัติเนี่ยผูกติดกับตัวเขาเหมือนกับว่าผูกไว้ที่คอนี้ไปไหนไม่ได้นะผูกไว้ที่แขนสะบัดได้ไว้ที่ขาสะบัดได้ไว้ที่คอติดตัวอยู่ยงั้นนั่นคือการงานที่ผมกับพี่น้องสแสวงหาอยู่ในวันนี้ติดตัวไปนะครับคําถามก็คือเกี่ยวอะไรกันเวลาเราตัปซีนเนี่ย สำคัญก็คือต้องต้องมองหาความเชื่อมโยงระหว่างอายะให้ได้เมื่อกี้อายะที่สิบเอ็ดถึงอายะที่สิบสองเนี่ยเหมือนจะไม่เกี่ยวกันเลยมนุษย์รีบเร่งให้เกิดสิ่งต่างๆเกิดขึ้นจะดีไม่ดีกันแล้วแต่อายะที่สิบสองพูดถึงตะวันกลางคืนดูเหมือนจะไม่เกี่ยวกันแต่จุดจุดเชื่อมโยงคืออะไรครับคือคำว่าอาญจะมีอาญันเหมือนกันสิ่งที่เกิดขึ้นจะดีไม่ดี หรือว่ากลางวันกลางคืนมีช่วงเวลาประมันอายันไม่ได้แปลว่าอายุขายตายอย่างเดียวนะมาถึงช่วงเวลาการนี้อายัดที่สิบสองกับอายัดที่สิบสามเกี่ยวอะไรกันอายัดที่สิบสองพูดถึงกลางวันกลางคืนอายัดที่สิบสามพูดถึงการงานเหมือนจะไม่เกี่ยวกันเกี่ยวคําไหนครับเป็นคําที่ทําให้เกี่ยวกันคําวัดตัปซีลคําสุดท้ายในอายัดที่สิบสองกลางวันกลางคืนอโลแยกมันชัดเจน เช่นเดียวกันการงานที่มันติดตัวมนุษย์อัลลอฮ์ก็กุลละชาอินฟาซอนนาฮุตับซีลาแยกแยะมันอย่างชัดเจนเช่นเดียวกันฉะนั้นสิ่งที่ผมทําในวันนี้พี่น้องทําในวันนี้เวลาไปถึงวันกยามะเนี่ยตับซีลาชัดเจนนะครับละหมาใช่ไหมกี่รากกะอัดขาดกี่เวลาละหมาดครบกระจริงแต่ว่าใจลอยนะละหมาดครบกระจริงแต่ไม่มียะมาอ้าเลยละหมาทครบกระจริงแต่ตะกับบด อรยาโออวดทัฟซีลาด้วยกับรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์นะข่าวบอตทัฟซีนเชื่อมอายาที่สิบสองกับอายาที่สิบสาในอายาที่สิบสามเนี่ยนะครับเาลาเรื่องระบอ ก, าการงานเนี่ยมาเป็นส่วนก็เรียกว่าของใครของมันนะติดตัวไปอวนุคฤยยุรหูยมันกยามาติกิตาบัญยมกอฮูมันชูรอในวันกียามาเนี่ยนะครับกิตาทุกคนก็จะมีบันทึก ยังก่อฮูทําไมเอย่ยคำบันทึกตรงนี้เนี่ยอลอสจะเอามาให้ต่อหน้าเลยมันชูรอแล้วก็เปิดเผยแพรหมายความว่าสิ่งที่เคยทําไว้ในดุนยานเนี่ยบางทีรู้อยู่แก่ใจใครอื่นทราบไม่ทราบความชั่วบางอย่างไม่มีใครทราบทร า, าบอยู่คนเดียวเก็บไว้เป็นความรับส่วนตัวบางทีก็บอกเมียคนเดียวบอกเพื่อนสนิทแค่คนเดียวแต่วันกิยามะมันชูรอมันจะถูกเปิดเผยขึ้นมาเพื่อการคิดบัญชี นะครับเห็นไหมนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามานะ้าต่อมาครับ <c oughs> นะ้าอายาที่สิบสี่ครับอลัลลอฮฺตรัสว่าอิกระกิตาบะกะหนังสือบันทึกที่ว่าถูกนำมาเขาเรียกว่าตีแผ่ในวันกิยามาเนี่ยนะครับ ใน ว, วันเกีย่ยมาผมกับพี่น้องจะได้บันทึกตรงนี้เหมือนกันเป็นบันทึกการงานที่เราทําไว้ในดุนยาเมื่อได้มาแล้วอลัลลอฮฺตรัสตัวอิกระกิตาบะกะอ่านสิละ่ะไอบันทึกของแกเนี่ยของใครของมันเนี่ยอ่านสิละ่ะกาฟาบินับซิกันเยามาในวันนั้นแหละนะครับอลัลลอฮฺบอกกาฟาบินับซิกันเยามาอาะไรก็ฮาซีบะ ไม่ต้องให้คนอื่นอ่านเนี่ยเราพออ่านแล้วเนี่ยพอเลยที่เราจะเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าทราบรายละเอียดเพราะเป็นการงานที่เราทําคนอื่นไม่ทราบแต่พออ่านบันทึกในวันนั้นแล้วเนีพี่น้องเถียงไม่ออกเลยเพราะมันมันละเอียดแล้วก็จริงแล้วก็ครบถ้วนในสิ่งที่ทําไว้ในโลกดุนยาพี่น้องนึกภาพบางยามานะบัญชีใครบัญชีมันเวลาเราอิกรากิตาบักการเนี่ย อโล่ไม่ไดบอกว่าไหนไปอ่านบันทึกไอคนนู้นสิว่ามันดีเท่าไหรชั่วเท่าไหรไม่ใช่นะต่างคนต่างอ่านบัญชีของตัวเองวันนั้นมันมีใครเสือกันแล้วพี่น้องห่วงของตัวเองผมก็ บ, บาปเยอะอโล่จะให้อภัยไหมความดีตัวนี้บกพ้องห่วงของตัวเองไอคนนู้นก็ห่วงตัวเองนู้นก็ห่วงของตัวเองฉะนั้นอิกรากิตาบะกาต่างคนต่างอ่านบันทึกของตัวเองนั่นคือสภาพในวันกิ亚马าาแต่ในสภาพในตุนยาพี่น้องอิกรา กีตาบบอาคอดอ่านบันทึกคนอื่นมาถึงอ่านพฤติกรรมคนอื่นลืมอ่านของตัวเองวันนี้ทําความผิดอะไรบ้างทราบไหมไม่ทราบเพราะไม่ได้ตั้งใจคิดตอนเชา้ามาตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้ตอนสิบโมงครึ่งเนี่ยทําความผิดทําความดีอะไรบ้างทราบไหมช่างกันเถอะเรื่องของตัวเองแต่ว่าถ้าเป็นการงานของคนอื่นละเอียดเลยวินน้องมีข้อมูลพร้อมมีคลิปพร้อมประกอบวนไปเปิดวนไปวนมา นั่นคือสภาพในดุนยาของตัวเนี้พี่น้องไม่มีประโยชน์หรอกการที่เราจะทราบการงานคนอื่นเนี่ยจะดีจะชัว่วมันมีประโยชน์สิ่งที่มีประโยชน์คือเราต้องตรวจสอบแล้วก็ทราบตระหนักถึงการงานที่เราทําถ้ามันมีการงานที่ไม่ดีอยู่พี่นอ้องตบัดแล้วก็เลอะซะออกห่างให้ไกลที่สุดถ้าเป็นการงานนะครัที่มันดีนะพี่นอ้องทําแล้วก็อย่านิ่งนอนใจเพิ่มเข้าไปอีกนะเพราะว่าในวันกิยามาเนี่ยนะครับสภาพมันจะ บัญชีใครบัญชีมนนานะอเลอ็กซ์จึงบอกว่าในวัฏจี亚马ตเนี่ยไม่ต้องเถียงเลยทุาวันนี้มีคนกล่าวหาผมสมมติเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเอาผมไม่ยอมรับผมกล่าวหาคนนู้นเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเอาไม่ยอมรับเถียงกันไปเถียงกันมาได้กรจายมาแต่ในวัาจี亚马ไม่ใช่ปล่อยคำพีปุ๊บไอ้บันทึกที่เราทำความความดีความชั่วไปเห็นปุ๊บไม่รู้จะเถียงกับใครเพราะ เราทำแบบนั้นจริงๆแล้วมันกระจดแบบนั้นจริงๆอาร้อนจึงบอกว่ากฟ้าบินัฟซิกาแค่ตัวคุณหนึ่งก็พอแล้วที่จะทำไมอะไรกะหาซีบาเป็นผู้ที่เ mm hmm. ขาเรียกชำระคิดคำนวณสิ่งที่ตัวเองกระทำทุกคนต่างทราบดีในการงานที่กระทำไว้นะครับผมอยากให้ขออุอาผมกับพี่น้องถึงวันเกียรมัดนะพอได้บัญชีมาแล้วเนี่ยอ่านแล้วสบายใจทำดีละทำความดีไว้ ไม่ใช่อ่านแล้วมันไม่พอแนวหนาว้าจะเอาไหนไปโปะความชั่วมันเยอะกว่าสองเท่าสามเท่าจะเอาตัวไหนไปโปะอย่าให้เป็นแบบนั้นพี่น้องอ่านแล้วสบายใจนะแต่ปัญหาคือไม่ใช่อ่านปุ๊บและแก้ได้นะมันต้องทําตั้งแต่วันนี้นะครับวันกยาม马อัลลอฮ์นาเสนอบันทึกความดีความชั่วเพื่อให้เราทราบไม่ได้สามารถที่จะแก้ไขได้ถ้าจะทําอะไรพี่น้องครับทําในดุลยานะหวังว่าวันนั้นเมื่อเปิด บ, บันทึกกันมาแล้วเนี่ย ไม่ต้องมาบอกว่าบัญชีพี่น้องเป็นบัญชีผมเป็ไงมันต้องมาถามกันหรอกของกายของมันวันเกี่ยมัดแต่ว่าหวังว่าผมกับพี่น้องจะมีบันทึกการงานที่ดีนะครับอ่าต่อมาครับในอายะที่สิบห้าอายะสุดท้ายในวันนี้ฟะมานิตาดาคนที่ได้รับทางนํามานิตาดาคือคนที่ได้หิรดาเนี่ยฟะอินนามายะตะดีนับซีฮีทางนําที่เขาได้ประโยชน์ที่เขาได้เนี่ยทําไมเอ่ยมันเกิดกับตัวเขาเอง วอมดอลล่าส่วนคนที่หลงทางนั้นฟอินนามายดิลูอะเลฮ์เขาก็หลงบนความหลงตรงนั้นสุดท้ายประโยชน์ที่ได้จะเป็นฮิดายะจะเป็นดอลาลาร์นะพี่น้องได้กับตัวเขาเองจึงไม่มีประโยชน์ที่วันนี้เราจะชี้ใครเราบอกวันนี้คือดอลลารา์ชี้ใครบอกแค่นี่คือฮิดายะเพราะสุดท้ายฮิดายะกับดอลลารา์เนี่ยในวันกิยามาเนี่ยมันกลับมาที่ตัวเขาเอง เกิดขึ้นจากการกระทำของตัวเขาเอง mm hmm. ไม่จะเกิดขึ้นจากคำพูดของผู้คนทั่วไปเวลาตาซิวาจิระตุนวิสวาอุกขะนะแล้วก็ภาระมาถึงบาปบุญในที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่มีใครแบกของใครได้ไม่มีใครแทนที่ใครได้การงานใครก็การงานมันนะยุติธรรมไหมล่ะ ที่ได้หมดในวันนี้ในวันทีโดนรวบแห่ไปด้วยไม่ได้ทําแต่โดนไปด้วยในวันกิยามาในการงานใครการงานมันครั้นี้ก็มีคําถามว่าเอ๊ถ้ากูอ่านบอกแบบนี้มันขัดกันไหม<ด>พราะว่าเราเรียนแล้วเนี่ยสามสิ่งที่ตายไปแล้วเนี่ยทําไมเอ๋ยไม่ยังได้บุญอยู่ลูกตีซอรแร่ขออุดาให้สะดะก็ญาริญาติความรู้ที่ยังประโยชน์อ้าวและอาญานี่บอกตัวใครตัวมันมันจะขัดกันไหมพี่น้องไม่ได้ขัดกันหรอก นะครับความดีความชั่วที่พี่น้องทำนะของใครของมันแต่ความดีความชั่วตรงนั้นถ้าเป็นสาเหตุให้เกิดการงานต่อเนื่องไปเป็นลูกโซ่เช่นสมมุตินะวันนี้ผมสอนหนังสือสมมุติว่าอิคลาสไม่สมมติลการหวังว่าเป็นอย่างนั้นอิคลาสได้บุญปุ๊บ ก, ก็ได้บุญตรงนี้ผมนะคราวนี้ถ้าเป็นสาเหตุเป็นสบับให้คนอื่นเขานาไปปฏิบัติ ด, ด้วยพี่น้องก็ได้บุญที่ปฏิบัติ แต่ผมในฐานะที่เป็นสาเหตุก็ได้บุญไปด้วยไม่ได้แปลว่าเอาความดีของผมไปโป๊ะพี่นอ้องความชั่วก็พี่น้องมาโป้ไอ้ผมบัญชีใครบัญชีมันแต่ว่าการงานที่เป็นเขาเรียกว่าสอดก็ยารียะนะครับไม่ได้หักคนนี้มาโป้คนนี้นะได้ทั้งหมดไอ้คนทําก็ได้ส่วนที่ทําไอ้คนที่เป็นสาเหตุก็ได้ในส่วนที่เป็นสาเหตุได้เกิดความดีฉะนั้นขัดแย้งกันไหมไม่ขัดแย้งกันนะครับ มันมีกรณีที่ว่าการละเมิดสิทธิฮักคุณอาดัมที่มันเกิดขึ้นเนี่พี่น้องเราไปละเมิดเขาไปด่าไปว่าเขาเนี่ยนะความดีที่ทำเนี่ยอลัลลอฮ์ชดเชยให้เพราะเป็นการละเมิดไปชดเชยให้เขาชดเชยไปชดเชยมาความดีหมดแล้วปกติก็มาใช่คนดีอยู่แล้วแถมปากไม่ดีอีกความดีไม่มีจะให้แล้วงั้นก็เอาความชั่วเขามารับแทนนักกันอันนั้นเป็นการชดเชยให้ไม่ได้ขัดตับกับอา ย, อย่านี้นะ ถ้าดูจากสองอายาและพี่น้องสามอายาเนี่ยสิบสา ม, ส, ส, ามสิบสี่สิ บ, สบ้านะสรุปแล้ววันกิยามัตในพี่น้องตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันถ้ารักกันจริงผัวเมียนเนี่ยรักกันจริงพ่อแม่ลูกถ้าห่วงกันจริงพี่น้องครับให้สิ่งดีๆในดุนยาเพราะในวันกิยามัตเนี่ยมันตัวใครตัวมันมันช่วยกันไม่ได้ แล้วก่อนในส่วนท้ายของอญญายาครับวอมากุณามุอัตติบีน่าฮัตตานับอัอสซ่าห์ะซูละอลัลลอฮบอกว่าเรานี้ไม่ได้เคยลงโทษผู้ใดเว้นเซียแต่จะส่งข้อสู้มาหมายความว่าตราบใดที่ศาลนะครับจากท่านนบีเนี่ยยังไปไม่ถึงคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยอลัลลอฮถือว่าเขายังไม่รู้ก็คือจะไม่คิดบัญชีเขาเป็นกรณียกเว้น ตรงนี้นะเป็นที่มาของเขาเรียกว่าข้อถกเถียงทางวิชาฟิกเลยนะครับไม่รู้ไม่บาปนึกออกไหมไม่รู้อิสลามไม่ได้พอดืดดึง น, นะมาเช็คข้อมูลทุกอย่างมาถึงแล้วแต่ปฏิเสธอันนี้อีกแบบหนึ่งแต่ว่าอยู่ในที่ห่างไกลไม่เคยรู้เลยมูมัดเป็นใครอัลลอฮ์เป็นใครอิสลามเป็นยังไงไม่เคยเลยแล้วก็เสียชีวิตตรงนั้นก็ถือว่าอัลลอฮ์ไม่คิดบัญชีไม่ลงโทษด้วยกับหลักฐานจากอาย่านี้ หลักฐานจะอาย่า น, นี่เนี่ยเป็นข้อโต้แย้งอีกเพราะต้องการแสดงเห็นว่าการเข้าถึงอัลลอฮ์เนี่ยเข้าถึงเตาทีปตต้าจามีองค์เดียวเนี่ยมูหมัดเป็นรอซูลมีกรมุรอานเนี่ยพี่น้องมนุษย์ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยกับตัวเองแต่ว่าเข้าถึงได้จะกับเรซาละสารที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าฉะนั้นในอิสลามเนี่ยในความเชื่อเนี่ยจะมีการตัดสูการสํานึกการรู้แจ้งในตัวเองเนี่ยในหลายๆความเชื่อมีนะครับโดยเฉพาะปัญญาาสนา แต่ตอนออกเนี่ยแต่อิสลามเนี่ยไม่ได้มองแบบนั้นอิสลามมองว่าอิสลามนคือการเขาเรียกว่าการต่ออัตและการปฏิบัติตามคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีสารต้องมีศาสนทูตผมอาจจะรู้แจ้งได้ในบางเรื่องเช่นแกะสลักเก่งมากแกะแกะจนถึงวันหนึ่งบรรุขัน้นไม่ต้องวาดวาดแป้นแล้วแกะสดได้เลย ด้านอื่นอาจจะมีการบรรลุแต่ว่าในด้านศาสนาพี่น้องครับไม่สามารถที่จะนั่งสมาธิปัสสนาอะไรกันแล้วแต่แล้วก็บรรลุถึงพระผู้เป็นเจ้าในอิสลามเนี่ยไม่ได้มองแบบนี้แต่ว่าการที่จะเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยต้องมาจากศารศรีสาราะแล้วก็ผ่านตัวแทนคือปากาโศกหรือว่าศาสนาถูกในต่างกันนะครับมองต่างกันถ้าในความเชื่อวันต่อ บ, บางที่เนี่ยไม่จะเป็นต้องมีตัวกลาง มนุษย์มีเขาเรียกว่ามีอักมีสติปัญญามีภาวะที่สามารถตื่นรู้ได้เข้าถึงได้ไม่ต้องพึ่งใายด้วยกับปัญญาในอิสลามไม่ได้อธิบายแบบนั้นนะเวลาเราพูดถึงความตาม่างอย่าไปลงว่าใครผิดใครถูกพูดภายใต้กันให้เกียรติซึ่งกันและกันอิสลามอธิบายต่างกันไปฉะนั้นเมื่อมนุษย์ไม่สามารถบรรลุ ถ, ถึงพระผู้เป็นเจ้าได้ด้วยกับตัวเองตราบใดกันแล้วแต่ที่สารตรงนี้ศาสนาพูดอย่างมาไม่ถึงเนี่ย อโลอ ก, กันยังถือว่าไม่ใช่ความผิดของคนผู้นัน้นเห็นไหมต่างกันนะครับนะส่วนด้านอื่นเนี่ยไม่ได้ห้ามนะจะไปบรรลุด้านอื่นเข้าใจทองเท้อะไรด้านอื่นไม่ได้ห้ามแต่ว่าเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยคิดเองไม่ได้คิดเองจะไปหลายอย่างนะครับอ้าวในช่วงท้ายของเวลานะครับก็ไม่ท้ายมากนะผมขอทวนแล้วกันนะในอายะห์ที่สิบเอดเนี่ย เราทราบถึงวันนี้สวอันอิสระนะครับอยายะที่สิบ็ดถึงอยายะที่สิบ้ามนุษย์มีลักษณะประการหนึ่งคืออายูลาผมกับพี่น้องก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเนี่ยต้องถามตัวเองได้มีลักษณะตรงนี้ไหมเนื่องจากเราไม่มองไม่เห็นอย่างอื่นเนี่ยพี่น้องเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราก็คิดวันมีแค่นั้นดีชั่วก็คิดตามที่เห็นนะครับ<ๆ>ก็เลยอยากให้มันเกิดขึ้นไว แต่ว่าอัลลอฮ์บอกว่าอายุล่ะเป็นผู้ที่ริบร้อนเสมอบางทีไม่ทราบว่าิมาร ท, ที่เกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างเราไม่ทราบมจริงพี่น้องบางทีตายไปแล้วยังไม่ทราบเลยรลูกหลานจะทราบว่าอ๋อสิ่งที่เมือมันเกิดขึ้นแต่ ก, ก่อนเรามองเป็นความไม่ดีเนี่ยจริงๆแล้วมันมีความดีงามนะครับนะผมเริ่มพูดเมื่อกี้นะครับคําว่ายะยุนอินซานูมันมีนมประเด็นทางภาษานิหนึ่งนะ ยัตะอูเนี่ยจริงๆมันคือยัตะอูหลังตัว อ, อินจะมีตัววาวนะดาอายัตตะอูเนี่ยนะครับแต่ว่าเวลาอ่านออกเสียงเนี่ยไม่ได้ออกเสียงตัววาวก็เลยส่งผลมาถึงตัวเขียนด้วยอันนี้ไม่ได้ผิดนะไม่ได้ผิดแต่มาถึงพูดถึงคําภาษาจีนเนี่ยยัตะอูจะมีตัววาวนะครับแต่ว่ากุ้อ่านเนี่ยพี่นอ้องตอนนี้เป็นหลักฐานแสดงว่ากุ้อ่านเนี่ยมันมาตอนแรกมันมาจากความจําก่อน คาเฟ่คนที่จำํำก็อ่านในความสมจําเนี่ยจําโดยกับเสียงแล้วก็ถ่ายทอดมานะถ้ากูอ่านเป็นตัวอักษรลงมาเนี่ยลักษณะจะไม่เป็นแบบนี้นะโอยะตะอูถ้าอา่อานอ่านแยกยัดตะอูแต่พออ่านแต่คํำนี้สามรารจะอ่านไว่าโอยัตอุนอินซารโนบิชารนุออาอูตัววาวก็เลยไหนๆก็ไม่ถูกพูดไม่ถูกออกเสียงอยู่แล้วก็ถูกตัดทิ้งไปในการเขียนด้วยตัวนี้ไม่แปลกพี่น้องถ้ า, าดูในช่อันอา ร, รัก อันักนะครับอิกกะเนี่ยนะครับในอายาที่บอกว่าพี่น้องดูก็ได้โอ้ยันะสนตะอุษจบานียะสนตะอุษาบาียะอายาที่สิบแปดนึกไม่ออกหรอกเพราะเราอ่านอานอายาแรกออกมาอิกาะท้อิสเนรอบิกันเดีอดีคารักไล่ไล่อะไรมาใช่อายาก่อนสุดท้ายเนี่ยสนตะอุษจบานียะสนตะอูเนี่ยี่คือสนตะอูมีวาวเหมือนกันแต่ไม่ออกเสียงในการเขียนก็เลยตัดตัววาวทิ้งไปด้วย ทำคำให อ, อ, อันนี้อันนั้นคือนั่นเต้าอู่อันนี้คือยัดเตาอู่จริงๆคือมีว wow าแต่ไม่ได้แปลว่ากูอ่านผิดนะประการที่เห็นว่าเมื่อมาได้ออกเสียงแล้วเนี่ยเขาก็ได้ตัดในการเขียนไปด้วยแต่ว่าในบางคําเนี่ยไม่ออกเสียงแต่มีตัวเขียนก็มีอ่าอันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งที่เห็นว่ากูอ่านเนี่ยตอนที่บันทึกเนี่ยนะครับไม่ได้มีลักษณะของเครื่องการอะไรละ่ะเป็นตัวเขียนมาแล้วก็ไปท่องจําแต่ว่าเป็นการท่องจําก่อนแล้วก็เกิดการบันทึกทีหลัง ไม่ได้สมผลต่อความหมายอะไรทั้งสิน้นอันนี้เป็นเกตความรู้นะครับเพราะบางคนเรียนวยากรณ์เอ๊ะนัตตาอู่เนี่ยวาวายไปไหนนะไม่ได้หายไปไหนหายเพราะว่าไม่ได้ออกเสียงก็เลยไม่ได้ปรากฏในตัวเขียนด้วยแล้วก็ไม่ใช่ทุกตัวเป็นแบบนะครับ น, นี้นอกไประเด็นดนิดหนึ่งเมื่อกี้ลืมพูดถึงอยายะที่สิบเอ็ดครับผมพี่น้องมนุษย์ลักษณะคืออายูละเมื่อทราบตรงนี้แล้วพี่น้องเวลาเราก็อ่านบอกมนุษย์เป็นแบบ น, แบบนี้แบบนี้เนี่ย ทราบว่ายังไงพี่น้องงงเขบอกว่าเอ้าก็ผู้อ่านบอกแบบนั้นมันต้องเป็นจริงสิฉะนั้นก็เอเลาะบอกเราเป็นคนที่หลีบร้อนก็เราก็ต้องหลีบร้อนตามที่เอเลาะบอกไม่ใช่นะเช่นเดียวกันประเด็นแต่ก่อนที่มีการถกเถียงกันเยอะอุมมาณี่จะแตกแยกบอกว่าแตกต้องแตกนะเข้าใจแบบนั้นไปในทางที่มองกับการพี่น้องเมื่อมนุษย์ทราบว่าลักษณะโดยธรรมชาติเป็นอายุลา เป็นผู้ที่รีบร้อนแล้วสิ่งที่เราสามารถกระทําได้ให้ตระหนักข้อเท็จจริงตรงนี้ทําใจให้มันเย็นลงรอคอยขออุดมอาซาบัดอดทนพ่อหวังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะมีฮิกมาสมีความดีงามตามมานะครับไม่ได้บอกว่าวิกิามัตเนี่ยการกิยามัตคนจะศีนากันเยอะในเมื่ออรอบบอกแบบนี้นะบีบอกว่านี้ทําไงพี่น้องแล้วก็ก็สีนาไปทีพรวกเขาก็สีนากันเยอะไม่ใช่แบบนั้นนะ บอกเนี่ยเมื่อเราทราบแล้วไม่จะปล่อยให้เป็นไปตามนั้นให้เราวางไว้ให้ตระหนักไว้นะครับไม่ใช่บอจะเป็นแบบนี้ออกในเมื่อผู้อ่านบอกคัมภีรบอกก็เป็นแบบนั้นก็ต้องเป็นสินะบอกว่าแตกก็ต้องแตกบอกว่าใจร้อนก็ต้องใจร้อนสินาเยอะเราก็ต้องสีนาด้วยไม่ใช่แบบนั้นนะครับให้ตรานักไว้มนุษย์ลักษณะธรรมชาติเป็นแบบนี้ฉะนั้นใจเย็นสวัสิแล้วก็รอคอยความดีงามที่ตามมาในอายาที่สิบสองนะครับ กลวันและกลางคืนพี่น้องครับเป็นสัญญาณของ Allah มีอายะห์ก็อ่านหลายอายะห์มากพูดถึงกลาวันกลางคืนแล้วก็มีนักทัศซีิษยนักวิชาการหลายท่านมากพี่น้องพูดถึงฮิกมากที่เกิดขึ้นในกลาวันแล้วก็กลางคืนจะเป็นดามวิทยาศาสตร์ ด, ดัานดุนดานิเต็มไม่หมดเลยพี่น้องผมก็ไม่อยากจะมาผลิตซ้ํานะแต่ต้องการจะนำเสน อ, อประเด็นก็คือว่าความละเอียดอ่อนในการสร้างความพระณีในการสร้างพี่น้องครับอยู่ด้วยกันได้ ความลักษณะที่แตกต่างการสุดขั้วเลยนะมืดกับแจ้งนี่แตกต่างกันแบบบวกกับลบแตกต่างกันสุดๆเลยเนี่ยแต่ล้อสามารถให้อยู่ในวันเดียวกันได้นะแล้วก็ไม่ใช่แค่มืดกับแจ้งอย่างเดียวพี่น้องครับมีความโปดปานมีสิ่งที่เหมาะสมกับชีวิตมนุษย์เต็มไปหมดเลยนะครับนะแสงแดดก็ไม่ใช่แจ้งอย่างเดียวนะกลางคืนไม่ใช่มืดอย่างเดียวมีความสวงามมีฮิกมามีประโยชน์ที่มนุษย์ได้รับเต็มไปหมดเลย สิ่งที่ได้อีกปาะ ก, ก็คือว่าลิตาละโมอัดดัสซีนีนวันฮิสาบเราจะได้เข้าใจทราบจำนวนปีและ ก, ากานน็การคำนวณการคำนวณตอนนี้เนี่ยเราเกิดในยุคซึ่งมีเครื่องคิดเลขพี่น้องครับมีนาฬิกาผมถามพี่น้องวัน น, น, นี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยพี่น้องพี่น้องตอบได้หมดเลยค้าเรียกองค์ความรู้ตัวนี้มันกระจายไปทั่วแล้วแต่ว่าพี่น้องถ้ากลับไปในสมัยก่อนเนี่ยวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ย ไม่ใช่คนทุกคนจะตอบได้นะมันต้องมีการคำนวณการจดบันทึกถึงจะตอบได้วันนี้คือวันที่วันที่แปดมีนาเนี่ยแปดมีนาคืมีนาคือเดือนที่สามของปีดวงอาทิตย์อยู่ตรงไหนเรามันจะเคลื่อนไปยังไงดูการยังไงเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตทั้งหมดประโยชน์ที่เราได้ในปัจจุบันไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนยุคปัจจุบันแล้วการคำนวณมีหมดแล้วปฏิทินมีหมดแล้ ว, ลวฉะนั้นอายา ต, ตัวนี้ไม่สําคัญแล้วไม่ใช่พี่น้องสิ่งที่เรามีในปัจจุบันนี้ทําไมเอ่ย มีรากฐานมีต้นความคิดมาจากสิ่สงที่อัลลอให้ไว้ในธรรมชาติฉะนั้นมนุษย์ยังใช้ประโยชน์จากมันอยู่ไม่ได้แปลว่าเราไม่ง้อมันนะยิ่งแปลว่าเรายังคงใช้ประโยชน์กับมันอยู่ยึดติดกับมันอยู่อย่างแนบแน่นนะครับวัคุลล ะ, ชะเชอินฟัซซนนาหูทับซีละนะจุดเชื่อมโยงอายะที่สิบเอ็ดกับสิบสองคือคาว่าอายัลตาคิด อ, อันอัชยาทุกอย่างมีระยะเวลากับมันนะครับนะ จุดเชื่อมโยงระหว่าอายาที่สิบสองอายาที่สิบสามคือคำว่าทัฟซีลาการวันกลางคืนที่เอล้อถ้าให้มันชัดแจ้งมันชัดเจนแยกกันชัดๆกลางวันกลางคืนต่างไงพี่น้องชัดไหมชัดนะครับเช่นเดียวกันกับความดีความชั่วที่เอล้อบอกว่าวกุลและอินซานินอันซัมนาฮูตอิโรฮูฟีโอโนกิฮีการงานที่มันเหมือนกับส่วนต่อที่ปวันนกเนี่ยฐางด้าภาษาเนี่ยมันมี เขเรียกว่าพัฒนาการทำความหมายหลายขั้นตอนแล้วกันสรุปแล้วปัจจุบันคือเปอร์วส่วนนะส่วนของการงานที่กระทําเนี่ยพี่น้องครับมันติดอยู่กับคอมันแขวนไว้กับคอมาแต่แขวนจริงไหมเพราะมันติดตัวพี่น้องไปเนี่ยอเลาะก็บทับซีลาเหมือนกันนะครับเพราะว่าตับซีอย่างไงล่ะทําไมเอ่มันจะอยู่ในกีตาบันยังกอรูมันชูคอรายละเอียดตรงนี้พี่น้องครับจะอยู่ในบันทึก ซึ่งในวันนั้นเนี่ยจะถูกเปิดออกมาเพื่อคิดบัญชีสิ่งที่พี่น้องทําเนี่ยไม่ทําแล้วทาเลยนะไม่มีใครทราบแต่วันหนึ่งเนี่ยมันจะมันชูฮอไม่ได้มักตูฮานนะก็อาจจะเข้ามามันชูฮอมักตูฮามันคือถูกเปิดมันชูฮอเนี่ยมันถูกเผยแผ่แปลว่าถูกเอามาคิดแบบเป็นสาธารณะเลยพี่น้องตัววันนี้บางทีเราเหตุการณ์ในประวัตาสตร์เราไม่ทราบว่า ไอคนนี้มันตายยังไงใครฆ่าใครมันที่เถียงกันไม่จบเนี่ยใครผิใครถูกเถียงไม่จบพรข้อมูลมันมีเท่านั้นมันม่ได้เปิดเผยหมดไอคนที่ทราบข้อมูลโดนเก็บไปแล้วสมมตินะครับแต่ในวันกิ亚马สิ่งเหล่านั้นเนี่ยไม่ใช่ใครมัฟตูฮาไม่ได้ถูกเปิดนะมันชูรอถ์คูเผยแพร่สราบกันหมดแหละใครละเมิดใครใครปิดใครถูกด้วยกับบันทึกตัวนั้นเองพี่น้องครับอลัลลอฮ์บอกว่าไอกระาะกีตาบักกาในวันกิ亚马อลัลลอฮ์จะบอกว่า ลองอ่านสิล่ะจริงๆมันอิกราอเนี่ยคือจงอ่านเป็นคําสั่งนี่แหละอ่านสิล่ะบันทึกของคุณน่ะเป็นไง <_ commence> ผมก็เปิดมาอ่านของผม <_ ck> พี่น้องก็เปิดมาอ่านของ <_ ck> พี่บ <_ ck> ันทึกจะเป็นสองหน้าสีหน้าว่าร้อนลำไม่ทราบนะ<_ <ck> _>มีหน้าปกไม่มีหน้าปกจะเป็นทับเล็ดสไลด์ไม่ทราบเลยแต่กูอ่านใช้คําว่ากีตาก็คือว่ามันเป็นบันทึกเป็นยังไงสะอาดไม่สะอาบคือเวลาเราพูดถึงอะไรที่มันเป็นวันกิยามาอินมุนร้อยเนี่ยสวรรค์นรกเนี่ยพี่น้อง ไกฟียารายละเอียดไม่ทราบแต่ศรัทธาว่ามีตามนั้นไปได้แค่นี้ในสวนสวรรค์มีแร่มีทาน้ำมีกะซุนมีแก้วมีมีคอต ด, ดัมีหมอนมีน้ำนมนะครับถ้าถามรายละเอียดอ่ะเป็นยังไงอ่ะแอปเปลิลในสวรรค์เป็นยังไงล่ะของที่ไทยเนี่ยมันมีหกปุ่มมันต้องไม่ทราบรายละเอียดไม่ทราบ ทานน้าเป็นยังไงแหละน้ําใสพื้นมันเป็นกระจกพื้นเป็นายไม่ทราบทราบแต่ว่ามีเช่นเดียวกันบันทึกในวันกิยามาเนี่ยศรัทธาแล้วก็ทราบว่ามีจริงๆแต่เป็นยังไงไม่ทราบพี่น้องไม่มีใครทราบด้วยนะครับศรัทธาว่ามีตามที่กูาอ่านบอกไว้แต่รายละเอียดเป็นอย่างไรไม่ทราบนะเอาแล้แบอกว่าคัมภีร์ไม่ใช่คัมภีร์บันทึกเนี่ยที่ทุกคนมีเนี่ยของใครของมันนะพี่น้องอิกกะอ่านใช่ไหม อ่านของตัวเองนะไม่ได้อ่านของคนอื่นเพราะวันนั้นในพี่น้องไม่สนนีนแล้ววันนี้เนี่ยเวลาเหมือนเด็กเนี่ยสอบเสร็จได้สมุดพกดูของแกหน่อยดูของชั้นหน่อยโชว์กันใช่ไหมว่างเยียมมากในไม่ใช่พี่น้องของใครของมันพออ่านแล้วเนี่ยนะครับกาบาบินาซิกันยามาอะแลกคาฮาซีบาตัวเจ้าของบันทึกก็จะเป็นเขาเรียกว่าผู้ที่จําน้นด้วยกับบันทึกตอนนั้นเองไม่มีการเถียงไม่มีละอ่านแล้วจะตกใจว่า ทำไมมันละเอียดแบบนี้เก็บไปหมดเลยละมาที่ฉันแอบโอ้อวดในใจเนี่ยไม่มีใครจับได้เลยแต่ในบันทึกก็ยังชี้แจงแจกแจงไว้นะฉะนั้นวันนี้ในะการงานคนอื่นไม่ต้องไปห่วงมากนะครับห่วงการงานตัวเองอายาสุดท้ายครับอายาที่สิบห้าในวันนี้ฟอร์มันติตาดาฟาอินนามาอาะอีฮะตัดีเลนับซีฮีทางน้าที่มันเกิดขึ้นคนที่อยู่ในทางน้ำนี่น้องครับประโยชน์เกิดกับใครครับลีนับซีฮี ประโยชน์เกิดกับตัวเองวอมอนดอลลาฟินมาย่ดิ้นรอะไรค่ะคนที่หลงทางคนที่ได้ทางนำสุดท้ายกลับมาหาตัวเองทั้งนั้นนะการชี้คนอื่นว่าดลาร์ละไม่ได้ส่งผลเลยเขาก็มาดลาร์ละตามที่เราชี้เราก็ไม่สามารถทําให้เขาดลาร์ละได้สุดท้ายเป็นแค่ลมปากนะและสุดท้ายครับวอลาตซิววาซิรตุนวิสอุครอภาระบาปอะไรกันแล้วแต่เนี่ย ไม่มีใครแบกใครใครได้พี่น้องต่างคนต่างแบกของตัวเองอายาทก็อ่าอนตรงนี้ไม่ได้ขัดแย้งกับที่บอกว่าสาุตตะกอยาริยาอะไรทำนองนี้ไม่ได้ขัดแย้งกันนะนะครับตรงนั้นเนี่ยเราเป็นสายเขธ ใ, ให้เกิดความดีงามเกิดขึ้นคนที่ทําก็ได้ความดีเราก็ได้ความดีในฐานะที่เป็นสายเขธไม่ได้ขัดแย้งกันนะครับนะบอมาคุณนา ม, มุอดัดมูอัจีบีนะฮะตานับอัลฮัสโวลา ตรงนี้มีประเด็นน่าสนใจอัลลอฮ์บอกว่าเราจะไม่ลงโทษเว้นสแต่จะส่งศาสนทูทษมาประโยชน์ที่ได้คือนหนึ่งเข้าความนี้หนึ่งคือถ้าไม่รู้อัลลอฮ์ไม่เอาโทษไม่รู้นะไม่ใช่แกงโง่ไม่ใช่เพิกเฉยไม่ใช่ปฏิเสธไม่รู้คือข้อมูลมาไม่ถึงเนี่ยอัลลอฮ์ไม่เอาโทษสองในญาติตัวนี้ต้องการจะบอกว่าการเข้าถึงอัลลอฮ์นั้นพี่น้องครับในอิสลามนะซึ่งอ่านจะต่างกับความเชื่อศาสนาอื่นไม่สามารถเข้าถึงด้วยกับตัวเองได้ การบำเพ็ญเพียรการบรรลุอาจจะปรากฏในความเชื่ออื่นโดยเฉพาะความเชื่อแถวตะวนันออกแต่ในอิสลามเนี่ยต้องมีริซาละสารมาจากอัลลอฮ์แล้วก็ผ่านานักสู้หรือผ่านนบีผู้ที่อัลลอฮ์แต่งตั้งเป็นเองก็ไม่ได้นะผมเห็นเขาเรียก ว, ว่าเนื้อหาที่ถูกต้องความยุตยิธรรมสัจธรรมแล้วผมก็อ่านเยอะๆบรรลุแล้วก็บอกผมเนี่ยเป็นนบีเอาสารนี้มาบอกพี่น้องต่อให้เป็นความจีิความถูกต้องผมก็ไม่สามารถแต่งตั้งตัวเองเป็นนบีได้นีออกมาทุกอย่าง มามาจากพระผู้เป็นเจ้าฉะนั้นโดยเนื้อหาภาพประกอบอิสลามเนี่ยคือการต่ออาตและการปฏิบัติตามยอมรับการมีอยู่ของพระผู้เป็นเจ้าและมนุษย์ในฐานะที่เป็นบ่าวของพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ไปขัดแย้งกับหลักสิทธิเสรีภาพอะไรไม่ได้เกี่ยวกันเลยครับจะทํากระทําไปแต่ว่าสิ่งที่ทําไปเนี่ยสุดท้ายวะเกียร์มัตถูกสอบสวนกับพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นเองนะชอบคนนี้ครับบอเบลไลตฟ์ฟิวันฮิดา ย, ยะอะซซัาลลัมวะลาอีกุมบรหมชตุลลอฮีอัะลอฮฺกะตุ